พระธรรมเทศนาแผ่นที่100ลำดับที่22โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่31ธันวาคม2 5ง9มีชื่อเรื่องว่าปีใหม่ปรับปรุงตัวเองให้ใหม่ต่อนี้ไปหลวงพ่อจะได้ แสดงทำป ร, รเทศศสนาถือว่าวันนี้เป็นวันชุ่มเย็นสําหรับพวกเราท่านทัน้งหลายไม่คาดไม่คิดว่าฝนจะตกวันนี้เหมือนกับวัดของหลวงพ่อปีเนี่ยนะปีนี้ก็ไม่คาดไม่คิดเพราะว่าตามปกติออกพรรษาแล้วเดือน10เดือนสิ เ, นสเพนเนี่ยมันจะหมดฝนฝนแล้วนะ อันนี้ฝนปีนี้ของหลวงพ่อมันปาเข้าไปจนถึงเดือนสิบสองแผ่นฝนตกลงมาน้ําท่วมวัดอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายเห็นเพราะฉะนั้นฝนตกวันนี้ไม่ใช่ของแปลกเออขนาดวัดหลวงพ่อมันยังท่วมมาแล้วนะอันนีพวกเรามางานวันนี้มันก็คงเ อ, อเป็นวันชุ่มเด่นเด่นก็ดีเหมือนกันนะเ อ, อพราะมันเป็นเอฝนตกมาล้าง มนทินเก่าแก่ของเราสิ่งที่มาดีออกจากตัวของเราต่อไปนี้ก็คงจะเป็นชลิเป็นมงคลตลอดทั้งปีปี2560นะอะเพราะวันนี้พวกเราเถึงจะฝนตกยังไงพวกเราก็ยังเหนียวแน่นยังมาร่วมกันทำพิธีกรรมพิธีการไหว้พระสวดมนต์แล้วก็สมาทานสินตอนน่อไปหลวงพ่อเองจะได้แสดงธรรมเทศนา เพื่อปารบเรื่องงานของงานพิธีการสวดมนต์ข้ามปีประจำปีพุทธศักราช2559แล้วก็ข้ามไป2560วันที่วันนี้เป็นวันวันที่31ธันวาคมพศ2559ณศูนย์การค้ายูดีทาว ประธานจัดงานคุณทนากรวีรชาติยานุกูลแล้วก็กรรมการผู้จัดการใหญ่ที่ได้จัดงานในวันนี้ได้เชิญพวกคณะสัทธทายญาติโยมญาติผู้ใหญ่ที่รักเคารพแล้วก็ญาติธรรมทั้งหลายได้มาร่วมกันสวดมวนต์ข้ามปีแล้วก็วันนี้ พระสงฆ์ทั้งหมดก็มีหลายโรคนะที่จะสวดพระพุทธมนต์ขอให้พี่น้องประชาชนกันนะสวดร่วมรวมกันเพื่อเป็นสิริเพื่อเป็นมงคลสำหรับงานของพวกเราแล้วก็หลวงพ่อเองคงแสดงธรรมจบแล้วก็คงจะได้กลับไปเพราะว่าหลวงพ่อเนะี่ยสวดทั้ง วันกับพานลูกหลานก็คงไม่ไหวพอลงพยอยู่มากแล้วนะให้ลูกหลานเป็นผู้ดำเนินการในการ ส, สวด พ, พุทธมนตในวันนี้เพราะนั้นขอให้พวกเราคณะทายาติโยมลูกหลานให้จบงานซะกะอ่อนเนอเมื่อฟังเทศจนแล้วก็สวดมนต์ซะก่อนสวดมนต์ข้ามปีท่านจะพรายจา์พรอครูทางท่าวาลัลฤษีทรัพคร จังหวัด อ, เอำเภอนามโสมจะเป็นผู้พานนำกับคณะสงฆ์ล้วนแล้วจะเป็นเจ้าวาดทั้งนั้นที่มาร่วมงานในวันนี้นะถือว่าวันนี้เป็นวันมงคลมหามงคลสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายเพราะวันหนึ่งปีหนึ่งก็มีเพียงครั้งเดียวเป็นวันที่ววันนี้วันที่ส1มเอ็ดจะมีการสวดพระปริตตมงคลเพื่อข้ามปี เ, เพื่อเป็นสิริเพื่อเป็นมงคลสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายพ อ, อ ป, ปีสอ5พัที่พวกเราผ่านมานี้นะ่ะก็มีทั้งดีมีทั้งไม่ดีดวงของพวกเราหรือว่าชีวิตของพวกเราบางคนก็ประสบความสำเร็จไปในทางที่ดีแต่บางคนก็ออพอปานกลางบางคนก็คือรู้สึกว่า รู้สึกว่าปีนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในการทำมาหาเลี้ยงชีพนี่แหละอันนี้ก็คือการที่พวกเราที่ได้ผ่านมาปี 2,559 แต่ถึงยังไงก็ตามนะหลวงพ่อเองก็อยากจะเน้นย้ำสำหรับพวกเราคณะทายาทยมที่มานั่งต่อหน้าหลวงพ่อเนี่ยที่หลวงพ่อได้พูดเรืกล่าวว่ามีทั้งดีมีทั้งไม่ดี แต่ถึงยังไงก็ตามกิจการงานของพวกเร า, เาต้องมีการาทบทวนาขาดทุนกำไรของชีวิตพวกเราก็ต้องได้คิดดูว่ า, ากิจการงานของเราปีนี้เป็นยังไงขาดทุนกำไรตัวไหนกำลุนกำไรตัวไหนขาดทุนและปีต่อไปเราจะทำยังไง เ, เราต้องงบมีงบดุล น, นะ แต่ทั้งยังไงพวกเรามองงบดุลแต่ภายนอกนะให้พวกเรามองงบดุลภายในของเราด้วยจะดีดีอีกเหมือนกันนะหลวงพ่อว่านะงบดุลภายในคืออะไรคืออย่างพวกเราท่านทั้งหลายปี2559นี่ให้พวกเราหลวงพ่อวันเวลาคณะสวดมนต์หลวงพ่อได้ได้ปลาลบที่หลายๆแหง่งว่า ปีสวดมนต์ในวันนี้แหละพอถึงห้าทุ่งครึ่งให้หยุดสวสมดมนต์ซะก่อนหลวงพ่อว่านะพ่อให้หยุดสวดมนต์นั่งภาวนาสิกาหนดลมหายใจเข้าหายใจออกให้ใจนิ่งนิ่งให้ใจสงบอพอสงบแล้วเราทบทวนดูว่าปี2559ตั้งแต่ม ก, กราปี5้าเนะมาจนถึงหมัดนี้แหละจะสิ้นปีนี่นะ เราได้คิดอะไรไปบ้างในสิ่งที่มันไม่ดีเราคิดอะไรบ้างในสิ่งที่ดีในปี5้าแล้วก็การกระทําของเราเที่ดีมีอะไรบ้างที่มันไม่ดีมีอะไรบ้างและการพูดที่ดีมีอะไรบ้างที่พูดไม่ดีมีอะไรบ้างเนี่ยเพราะว่าการกระทําำและการทุกอย่างมันมีอยู่สาม ทวารที่จะทําให้ดีหรือชั่วนะ่ะคือมโนกรรมคือแนวความคิดกายกรรมคือการกระทําวัจีกรรมคือการโทษนะีเพราะนั่นมการทําความชั่วและความดีมันเข้ามา3าสาทวารเพราะฉะนั้นให้พวกเราทบทวนดูแต่ตามไม่จริงเพียงทบทวนเพียง30นาทีนี่หลวงพ่อว่ายังไม่พอเพราะว่ า, ว, าวันปีหนึ่งมีอยู่365วัน สามร้อยหกสิห้าวันเรามาทบทวนเพียงสามสิบนาทีจะน้อยไปแต่ที่ยังไงก็ตามดีกว่าไม่ทบทวนในเมื่อทบทวนเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่นี่พอถึงเที่ยงคืนเราก็ตั้งจิตอธิษฐานนะแต่เนี่ยเอาเถอะเมื่อรู้แล้วว่าปีที่ยง่งปีห้าสิบเก้าเนี่ยเราทําอะไรไปบ้างเราคิดอะไรไปบ้างทําอะไรไปบ้างพูดอะไรไปบ้างแต่ปีหกสิบนี่ที่จะถึงนี่นะเออ เราจะทำแต่สิ่งที่ดีเท่านั้นให้เราตัง้งกิจอธิษฐานอย่างนั้น เ, เราจะคิดดีแล้วเราก็จะทำสิ่งที่ดีเราจะพูดแต่สิ่งที่ดี เ, เราวาจาของเราเราก็จะคิดแล้ว เ, เราจะพูดกับพ่อแม่ปู่ย่าตายายสามีภรรยาลกูกหลานญาติโกงูติกาทั้งหลายลูกน้องบริวารทั้งหลายเราจะพูดแต่ดี สิ่งไหนที่มันไม่ดีเราจะไม่พูดสิ่งนั้นถ้าเราพูดไปสิ่งไหนที่มันเคยทะเลาะวิวาทกันทําให้ทำไม่ไม่สบายใจพ่อแม่ไม่สบายใจสามีภรรยาไม่สบายใจเราจะไม่พูดอย่างนั้นปีสองพันะ้าร้อยกและ ก, ะการกระทําของเราก็เหมือนกันสิ่งไหนที่มันไม่ดีทําให้คนอื่นเดือดร้อนเราจะไม่ทําและการคิดของเราเราคิดไปในทางกิเลสราคะโทสะโมหะ เราจะไม่ทําอย่างนั้นอันนี้อยากจะให้พวกเรา ท, ทุกท่านนะช่วยกันคิดเออช่วยกันปรับปรุงแก้ไขในสิ่งที่มันให้มันดีจากนั้นก็ให้พวกเราพว ก, ท, กทุกท่านอมองดูตนเองพอสิ่งที่มันดีถ้าว่าความดีมีอยู่แล้วนะลบพ่อเองแล้วมั่นใจมีแต่ความสุขความ เย็นใจนะเราอยู่ในสถานที่ใดจะมีแต่ความสุขความเจริญมีแต่ความสุขความเย็นใจนะแต่ถ้าว่าเราทำไม่ถูกนะมีแต่ความเดือดร้อนวุ่นวายนะคณะสถาญาติโยมลูกหลานทุกคนนะและถือว่าวันนี้เป็นวันมงคลมหามงคลยิ่งวันหนึ่งเพราะพวกเจ้าภาพและผู้จัดงานท่านก็ได้พูดว่าเมื่อเราเส่วนหมนแล้วเราก็จะถวายเป็นพระราชกุศล ต่อพระบาทเจาเน็จพระเจ้าอยู่หัวที่อยู่ในบรมโกศหรือว่าท่านารัชการที่เก้ที่ท่านสวรรคตไปแล้วนะและก็พร้อมกันเราก็จะถวายเป็นพระราชกุศลต่อพระองค์ท่านนะและก็พร้อมกันเขาเราก็จะฉลองเฉลิมรัชการที่สิบขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ อ, อีกเหมือนกันนะ เ, เพราะอยู่ในระหว่างกลางเหมือนกันเป็นเป็นรัฐเป็น เ อ, อสมัยของพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่เก้าและที่สิบที่พวกเราให้ความเคารพทั้งสองพระองค์นะทั้งพระเจ้าพระบิดาทั้งพระลกูกของพระองค์นี่แหละอันนี้ก็บันนี้ถือว่าเป็นวันมงคลมหามงคลวันหนึ่งพวกเราจะประกอบคุณงามความดีเพื่อบูชาพระคุณของพระองค์ท่านนี่แหละ หลวงพ่อเองที่มาในวันนี้ก็เหมือนกันหลวงพ่อมาคราวนี้ก็มีท่านเจ้าภาพมีท่านผู้วารัจการกันอดีตผู้วารัจการจังหวัดท่านอำนาจประกาศและกับท่านเจ้าภาพเข้าไปหาหลวงพ่อท่านปารมว่าการทาบุญในคราวนี้ครั้งนี้เพื่อเป็นการ ท, าทําให้พว ก, พวกลูกหลานทั้งหลายหนุ่มสาวทั้งหลาย แล้วก็ผู้ใฝ่ในการกุศลทั้งหลายให้มารวมกันเพื่อสวดมนต์เพื่อเป็นสิริเพื่อเป็นมงคลของงานอย่างนั้นก็จะถวายเป็นพระราชกุศลเพราะฉะนั้นหลวงพ่อเองคําว่าถวายเป็นพระราชกุศลคํานี้ล่ะเออองคหลวงพ่อเองก็อยู่ในใต้ร่มเงาทระร่มเงาของพระบารมีร่มโพร่มใสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพราะนั้นหลวงพ่อจึง ไม่ได้แต่คิดเป็นอย่างอื่นจึงเลวมาเอ่อมาพบกับลูกหลานคณะสัตยาญาติโยมเพื่อจะจะได้ทําพิธีในวันนี้เพราะฉะนั้นขอให้พวกเราคณะสัตธาญาติโยมทุกหมู่ทุกเหล่านะถ้าเป็นไปได้ขนานะ่ะเออให้ช่วยช่วยกันหรือว่างสวดเจริญพระพุทธมนต์ให้เป็นสิริเพื่อเป็นมงคลในงานของพวกเราเพื่อ เป็นการถวายพระราชกุศลอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวแล้วก็พร้อมกันกับให้พวกเราประกอบคุณงามความดีตั้งติดตั้งใจใหม่อย่างว่าปีใหม่ให้ตั้งใจใหม่สิ่งที่มันไม่ดีเราจะไม่คิดคิดก็ไม่ให้คิดนะสิ่งที่มันไม่ดีแล้วก็ไม่ให้ทําสิ่งที่มันไม่ดีแล้วก็พูดไม่ให้พูดในสิ่งที่มันไม่ดีเราคิดทําพูดแต่สิ่งที่ดีเมื่อเรา คิดทําพูดสิ่งที่ดีแล้วความเจริญรุ่งเรืองก็จะเข้ามาสู่จิตเข้ามาสู่ใจของพวกเราและก็พร้อมกันขอขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะเนอะ อ, อย่าตั้งอยู่ในความประมาทพวกกันและพวกเราสวดมนต์ข่าวนี้ก็ไม่ได้สวดเพื่ออย่างอื่นพวดเพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาบูช า, ชาพระพุทธเจา้าพระธรรมพระสงฆ์บูชาสิ่งที่ควรบูชานะในเมื่อ เราประกอบคุณงามความดีแล้วเราจะตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนะให้ไม่ประมาทในการเป็นอยู่ของพวกเราสิ่งไหนที่จะเป็นบุญเป็นกุศลก็ให้พวกเราประกอบคุณงามความดีสิ่งนั้นเน้ออย่าไปทำสิ่งที่มันที่มันไม่ดีเพราะชีวิตของพวกเราเนี่ยให้พวกเราคิดดูว่าเราจะทำยังไงตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป พวกเราบางคนก็ปล่อยปัะละเลยมาพอสมควรแต่บัตรนี้มาถึงจุดนี้พวกเราควรจะตั้งต้นตั้งต้นตั้งตัวใหม่ให้ประกอบบุญกุศลเข้าสู่จิตใจอย่างน้อยก็ให้มีการไหว้พระเอาเถอะ ต, ตั้งแต่ปี2560น้นี่แหละเป็นต้นไปข้าพระเจ้าจะไหว้พระทุกวันไม่ให้ขาดอารหังสวาขาโตสุ ป, ปฏิปโน ได้นโมตัสสะก็ยังดีตื่นเช้ามาก็เอาอรหังสวัสดโตสุปฏิปโนนโมตัสสะประคขวาโตสามจบจากนั้นก็แผ่เมตตาข้าพรเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขข้าพรเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นสัตว์อื่นวิญญาณอื่นทั่วไตรโลกธาตุขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพระเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพข้าพรเจ้าปรารถนา ทุกๆดวงใจทุกๆดวงวิญญาณด้วยเทินนี่อันนี้คือแผลเมตตาแบบครบรัฐ น, นะถ้าว่าพวกเราอยู่ในสถานที่ใดมีการน้อมน้อมยอมรับยศพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งจกนกามีเมตตาธรรมต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายต่อดวงวิญญาณทั้งหลาย <S <S พวกเราอยู่ในสถานที่ใดก็มีแต่ความร่มเย็นเป็นจุกหน้ากันตัทายาติโยมแล้วก็พร้อมกัน ให้ภาวนาหลวงพ่อเองไปนสถานที่หลวงพ่อจะพยายามสอนให้พวกเรานั่งภาวนาถึงภาวนาถึงจะมาเด่นมากเลยสักขานาทีก็ได้นะสิบนาทีก็ได้ถ้ามีโอกาสกับพยายามนั่งให้นานภาวนากําหนดลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหายใจเข้าพุทหายใจออกโทตามแนวแถวของหลวงปู่มั่นของเราเต้นพระกรรมฐานต้นตระกูลพระกรรมถานที่พวกเรา อยู่ในอีสานเนี่ยมีแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่เขาหลวงปู่ฟัน่นหลวงปู่เทศหลวงตามหาบวชหลวงปู่ต่างๆท่านก็สอนให้พวกเรามิตรสอนให้ภาวนาพุโทโธเนั่ยแหละเพราะนั้นก่อนหลับก่อนนอนเรากับริกรรมพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธได้จิตในใจถ้าหาว่าพวกเรามีพุโทโธอยู่ในใจแจตใจใ จ, จิตใจของเราจะมีหลักนะคณะ า, ญญาจารย์โยมลูกหลานนะจิตใจของเราจะมั่นคง เชื่อมั่นในตนเองแล้วก็มีสติสัมปชัญญะแล้วจากนั้นเมื่อเราเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรก็ตามเราก็ระลึกถึงพุทโธธรรมโมสังโฆแล้วก็อุ่นใจนะถ้าว่าเราไม่ได้มีมีเครื่องยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจจิตใจของเราจะว้าเหวอ้างว่ า, วาเงียบเผาเศร้าซึม น, นะเพรา ะ, ะนั้นขอให้พวกเราหาหลักตั้งแต่บัดนี้ละตั้งแต่ยัง ยังกําลังยังแข็งแรงที่ได้ศึกษาธรรมะจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์นี่แหะให้ยึดยึดหาหลับยึดเอไว้ถ้าพวกเราจิตใจไม่มีหลับยึดนะจิตใจเคว้งคว้างนะจิตใจว้าเหวอ้างว้างเสียบสิ้นเศร้านะเพราะนั้นอย่าได้มีอย่างนั้นพวกเราได้เกิดมาได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้พบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้ว พวกเราควรจะประกอบคุณงามความดีนะการสตาญาติโยมลูกหลานทุกคนนะแล้วก็การกล่าวสัมโมทนิยกถาในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาด้วยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรยัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อนุภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสารคนโลกอนุภาพพระเยามเทวาธิราชอนุภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ท่านได ทรงบำเพ็ญมามากอนเนกประการที่ท่นพระ อ, องค์ได้ประกอบคุณงามความดีและก็บุญกุศลที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาที่เขาที่เรารักเคารพนับถือเลื่อมใสทั้งหลายทั้งปวงขอให้มาคุ้มครองคณ า, าจัทย์ญาติโยมลูกหลานทุกคนจงประสบแต่ความสุขความเจริญความสุขความเย็นใจปราถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมข อ, ขอให้สมหวัง ดังปลาดธนาะทุกๆ ท, ท่านทุกๆคนด้วยเทิน